ก็จะได้ให้โอวาสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจของพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเราเชื่อมั่นในใจทุกคนว่าการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ ย่อมเห็นผลประจักษ์ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเราจึงได้มั่นใจในพระพุทธศาสนานี่เมื่อมั่นใจแล้วก็ยินดีปฏิบัติตาม <c oughs> แม้คนอื่นเขาจะเห็นว่าเป็นของล่าสมัย บางคนบางพวกก็เห็นเป็นของล่าสมัยไปก็มีเรื่องการปฏิบัติตามพุทธศาสนาเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์นเป็นอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลา ผู้ใดปฏิบัติเวลาไหนก็ย่อมให้ผลเวลานั้นหมายถึงการลงมือปฏิบัติแล้วเห็นแจ้งโดยตนเองโดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นล่ำไปนี่ความมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระเจ้านะพระองค์ไม่ได้ ชักจูงใครให้เชื่อตามๆไปเฉยๆโดยที่ตนไม่ได้พิจารณาเห็นด้วยตนเองพระองค์ไม่ได้มุ้งอย่างนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมะต่างๆให้คนทั้งหลายฟังให้ผู้ฟังนั้นได้น้อมเข้าไปคิดไปพิจารณาให้เห็นด้วยตนเอง นี่ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ประกาศศาสนานะ่มีความมุ่งหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ใดได้ฟังคําสอนของพระองค์แล้วออกไปลงมือปฏิบัติทดสอบอาริยตนเองเลยบนี้พอลงมือปฏิบัติไปตามที่พระองค์เนะนำสั่งสอนนั้นขั้นเมื่อดำเนินถูกทางแล้ว มันก็ได้ความสงบใจได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาเห็นรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ด้วยตนเองตลอดถึงอริยสัจสี่ก็เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองถ้าบุญวาทฉนามี <c oughs> ดังนั้นผู้ที่เห็นแจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี่ จึงมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งไม่มีทางถอยหลังแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ในโลกก็ตามไม่ประทับอยู่ก็ช่างผู้ใดได้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแจล่ยแจ้งด้วยปัญญาแล้วจะทำความเข้าใจกับตัวเองว่าผู้ใดเห็นธรรมของจริงผู้นั้นแหละชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้านี่ มันต้องต้องอย่างนี้มันจึงมั่นคงได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็บรรลุซึ่งธรรมของจริงนั้นพระองค์ก็เข้าถึงธรรมของจริงนั่นจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าถ้าพูดอีกง่ายๆก็ว่า เมื่อพระองค์เข้าถึงธรรมของจริงนั่นแล้วทาให้อาสวะกิเลสหมดไปสิ้นไปดังนั้นแหละจึงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จึงเห็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทาอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปเพราะมารู้แจ้งในธรรมของจริง ดังนั้นเมื่อพุทธศาสนิกชนได้รู้แจ้งในคำสอนของพระองค์ในขั้นใดมันก็ย่อมเห็นผลในขั้นนั้นและก็เชื่อมั่นโดยตนเองไม่ต้องให้ใครมาชักจูงแนะนำอ้อนวอนอะไรต่ออะไรให้เชื่อให้นับถือไม่ต้องแบดนี้ มันแสดงความนับถือด้วยตนเองออกมาอะไรแบบนี้นะเนี่ยเช่นอย่างพวกเราที่ได้มาชุมนุมกันในวัดวาอารามอย่างนี้ก็โดยไม่มีใครขอร้องอ้อนวอนชักจูงแต่อย่างใดก็มันเกิดสันทะความพอใจขึ้นด้วยตนเอง พอใจในการที่จะปฏิบัติธรรมคาสอนของพระ อ, องค์นี้ให้ยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ว่าปฏิบัติมาได้แค่แค่นี้แล้วจะพอแล้วออย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นขั้นขั้นไปเหมือนอย่างเราขึ้นบันไดเนี่ยถ้าหากว่าไปเหยียบอยู่แต่ขั้นแรกนั้นเท่านั้นนะมันก็ไม่ถึงบนบ้านบนเรือนเลย ก, ตก็ต้องก้าวขึนขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองที่สามไปโดยลำดับก้าวไม่ถอยมันก็ถึงบนบานอันนี้มันก็เช่นนั้นเลยก็เมื่อบุคคลมาเห็นแจ้งในทานอย่างนี้นะว่าทานนี่มีผลมีประโยชน์จริงๆเราเห็นแจ้งตามคำสอนของพระติเจ้าโดยที่ว่าเราไม่ได้เชื่อ ใครต่อใครมาแนะนำมาชักมาจูงไปเฉยๆแล้วเราก็ทำไปตามคําชักชวนของผู้อื่นเท่านั้นไม่เป็นเช่นนั้นเราเห็นแจ้งในคุณของทานด้วยปัญญาของตัวเองว่าการให้การบริจาคนี้มีผลมีประโยชน์ก่วงใหญ่ไพศาลจริงๆมีผลมีประโยชน์ก้วงใหญ่ไพศาลจริงๆ ก็คิดให้กว้างๆลองดูสิโลกอันนี้นะเราอยู่กันได้ด้วยทานการให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่เราอยู่กันได้ไม่เป็นศัตรูต่อกันและกันนี่นะคิดดูกว้างๆนะเ น, นี่ยอย่างเช่นว่าพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นประมุขของ ประเทศหรือของชาติไทยอย่างนี้นะพระเจ้าอยู่หัวจะได้รับความยกย่องนับถือจากประชาชนทั่วไปได้เพราะพระเจ้าอยู่หัวนั่นเล็งเห็นอำนาจแห่งฐานการบริจาคการสงเคราะห์เกื้อกูลว่ามีประโยชน์จริงเป็นเครื่องยึดเหนิ่วน้าใจของคนหมู่มากไว้ได้พระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว ก็จึงสลัพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ออกไปสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ต่างๆเช่นชาวโดยชาวเขาหรือว่าชาวที่ราบก็เหมือนกันเลเมื่อคนเหล่านั้นได้รับอนุเคราะห์สงเคราะห์จากพระองค์แล้วก็พากันดีอกรีใจ ทั้งนี้พระองค์ไม่ได้สงเคราะห์เพียงแต่ว่าให้เข้าหอหนึ่งไปรับประทานไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มุ่งอย่างนั้นพระองค์สงเคาะเขาโดยวิทยาทานเนื่นแต่ก่อนนั้นเขาปลูกฝิ่นมันมีโทษมากพระองค์ก็ไปแนะนำความรู้ให้เขาให้เขาปลูกพืชอื่นแทนฝิ่นเขาก็ทำตามที่พระองค์แนะนำนั้น เขาปลูกพืชต่างๆผลไม้ผักต่างๆมูลน้งามสะพั่งแล้วก็ได้ขายดิบขายดีการปลูกผินมันก็ลดน้อยถอยลง<ม>เขาเห็นพระคุณของพระเจ้าอยู่หัวแล้นะเขาก็จึงแสดงความเคารพนับถืออย่างยิ่ง<ม>อย่างนี้แหละอา น, นิสงส์แห่งการให้การบริจาคทานนี้ มันย่อมเห็นผลในปัจจุวัลนี้ผลปัจจุวัลคือยึดเหนี่ยวน้ำใจของกันและกันไว้ได้ไม่ให้แตกร้าวสามัคคีกันเผื่อประชาชนคนไทยนี้ก็จงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวและรัฐบาลมีความสมัครสมานสามัคคีกันเมื่อเวลามีข้าศึกศัตรูมารุกลาน อย่างนี้คนไทยทั้งประเทศก็พร้อมใจกันหาหนทางขับไล่ศัตรูออกไปจากเขตแคว้นแดนดินนี่เราก็จึงอยู่กันได้โดยสันติสุขนี่ก็เพราะอนุภาพแห่งการบริจาคพ่านนั้นเองไนหะเราคิดกว้งก้องกันนะเป็นอย่างนั้นถ้าคิดให้ใกล้ตัวเองเข้ามา อย่างว่าไอ้ลูกจะเคารพนับถือพ่อแม่ก็ว่าพ่อแม่นั้นให้ทานแก่ลูกให้น้ำนมให้ผ้าวป้อนให้ความอบอุ่นอย่างอื่นอื่นอีกหลายอย่างนี้นะไอ้ลูกเมื่อใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็ระลึกเห็นคุณของพ่อของแม่ โอ้แม่ถ้าพ่อแม่ไม่สงเคราะห์เกือ้อกูเลเรานี่เราตายแล้วนี่เราเจริญไว้ใหญ่โตมาได้ก็เพราะว่าพ่อแม่ได้ดูแลสงเคราะห์สงหาเรามาเต็มที่ดังนั้นลูกนั้นถึงได้เคารพนับถือพ่อแม่วันนี้ลูกศิษย์เคารพครูบาอาจารย์ก็เหมือนกัน เขาได้รับความสงเคราะห์เกือ้อกูลจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์อลูกศิษย์ได้ร่ำเรียนมีความรู้ความฉลาดขึ้นมามีหน้าที่การงานทํามีรายได้แล้วก็ลูกศิษย์นั่นก็มานึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่ได้สงเคราะห์สงหาตนมาออื การให้ความรู้ต่างๆวันนี้ก็เรียกว่าให้ทานเหมือนกั น, นเรียกว่าให้ทําเป็นทานนี่นนนอันนั้นเรียกว่าครูบาอาจารย์ทางฝ่ายบ้านเมืองวันนี้ครูบาอาจารย์ทางศาสนาอีกในแก่พระสงฆ์สาวกของพระุทธเจ้าได้นําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้ยินได้ฟังทั้งทางลัดและทางโค้งท่านแนะนำสั่งสอนชี้ให้ดูหมดแหละเบงัน ไ, งไอคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งทางลัดทางโค้งผู้ใดอยากไปทางลัดก็ไปได้ผู้ใดอยากไปทางโค้งก็ไปตามความต้องการ ทางโค้งเช่นว่าเอาทาบุญให้ทานอะไรลงไปแล้วก็ปาตถาาสมบัติสามประการเลยปาตถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตลอดถึงพานิพานสมบัติเป็นอวสานผู้ ม, มีความปาตถาาเช่นนั้นนะแล้วทาบุญกุศลทาคุณงามความดีรักษาศีล รักษากายวาจาให้บริสุทธิ์ไปขนแห่งทานแห่งศีลเหล่านี้มันก็จะไปอำนวยให้ออตามความประสงค์ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยลาบยศสรรเสริญความสุขกายสบายใจมีอายุยืนยาวนานออถ้าหมดอายุสังขารจากมนุษย์ไปเกิด สวรรค์ก็สมบูรณ์ด้วยที่ผสมผัสนานาประการอย่างนี้แหละถ้าหมดอายุในสวรรค์กลับมาเกิดในโลกนี้ก็มาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพระราชมหากษัตริย์ผู้มีอำนาจผู้มียศยิ่งใหญ่ไพศาลวนเวียนอยู่อย่างนี้อืะ สร้างบุญบา ร, รมีไปจนกว่าบุญบา ร, รมีนั้นเต็มบริบูรณ์เมื่อใดก็ได้บรรลุนิพพานสมบัติอันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายแห่งชีวิตของคนเราหลังจากที่เราท่องเที่ยวมาในสงสารนิคันานานักชาติไม่ชวนแล้วเมื่อบุญบา ร, รมีเต็มบริบูรณ์แล้วก็ได้เข้าสู่พระนิพพาน ก็ไม่ต้องวนเวียนเกิดแก่แก่เจ็บตายอีกต่อไป <Okay. S 1> ก็สเสวยความสุขอันนั้นอยู่ตลอดอันันตะการความสุขอันบริสุทธิ์อันไม่มีทุกข์เจือปนอันผู้เช่นนี้ก็ย่อมท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนานหลายชาติหลายภพเพราะมันเกี่ยวกับความปรารถนา บัณฑิตผู้ใดกการเดินทางรัดอย่างนี้นี่เอาทำบุญทำทานอะไรก็ตั้งความปรารถนาลงว่าขอให้พ้นทุกข์อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องการขอจะให้พ้นทุกข์อย่างเดียวเนี่ยเมื่อตั้งความปรารถนาลงอย่างนั้นแล้ว คูนั้นใจมันกำโน้มไปทางความสงบเรื่องใดที่มันจะก่อให้เกิดความยุ่งยากความทุกข์นานาประการก็ไม่เอาสละออกไปเรื่อยๆทำตัวเป็นคนมักน้อยสันโดษไม่ปราถนาบริษัทบริวารอะไรมุ่งแต่แสวงหาความสงบสงดมุ่งแต่จะปฏิบัติทางจิตใจ เพื่อให้หลุดให้พ้นไปในปัจจุบันชาตินี้ในอย่างนี้ท่านเรียกว่าเดินทางลัดทางตรงผู้น้อมใจไปอย่างว่านี่ทำความเพียรไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุนิพพานในชาตินี้ใจก็เป็นอุบนิสัยปัจใจไปเบื้องหน้า หมายความว่าเป็นบันไดที่จะให้ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพาน <c oughs> ได้เร็วกว่าผู้ที่ปรารถนาสมบัติสามประการดังกล่าวมาแล้วนั้นนี่ความมุ่งหมายความต้องการของคนเรานะ่มันมีอยู่สองประการอย่างนี้ก็สุดแล้วแต่ผู้ใดต้องการทางลัด ทางตรงหรือว่าทางโค้งก็ก็ปราฐนาเอาแต่ว่าลํำพังเร่ปฎาฐานาเฉยมันไม่สำเร็จเมื่อปริฐนาเลี่ต้องทำต้องลงมือทำจริงๆอย่างนั้นเนี่ยมันจึงจะเป็นไปสมดังความปริฐนาผู <c oughs> <c oughs> ้ดใดได้ ตั้งใจทำความดีอย่างไรไว้แล้วก็ตั้งใจรักษาความดีอันนั้นของตนไว้ให้ได้ไม่เสื่อมแล้วก็พยายามทำความดีเพิ่มเติมไปเรื่อยๆถ้าหาว่าตั้งใจอยู่อย่างนี้นะผู้นั้นก็จะไม่เสียใจในภายหลังเลยแม้ว่าร่างกายนี้มันจะถูกชลาพยาธิมรณะบีบคั้นเอา ไปก็ไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะเมื่อเวลามีกำลังดีอยู่ก็ได้ฝึกตนได้ทําความดีใส่ตนของตนได้เต็มความสามารถแล้วไม่ท้อไม่ถอยไอ้สิ่งใดเป็นความชั่วก็พยายามสละออกไปจากดวงกิดนี้เมื่อได้ทําความดีเข้าใส่ จิตนี่ไว้เต็มที่แล้วอย่างนี้มันก็ไม่หวั่นไหวแล้วเมื่อความเจ็บความตายมาถึงเข้าก็ก็ไม่ว่าอะไร อ, อืก็ปล่อยตามเรื่องมันไม่เศร้าโศกเสียใจไม่อะไรกับสิ่งใดทั้งหมดในโลกนี้เพราะเหตุว่าได้ภาวนาอยู่ทุกวันทุกคืนเห็นแจ้งอยู่เห็นแจ้งว่าทุกสิ่งทุอย่างไม่ใช่ของเราอืม น, นี่ <c oughs> ไม่ใช่ของเราอย่าว่าแต่สมบัติภายนอกแต่ร่างกายก็ยังไม่ใช่ของเราแล้วสมบัติภายนอกน่าจะเป็นของเรามาได้ไหนตนเองก็สนทนากับตนเองตอบตัวเองอยู่อย่างนี้นะมัน ก, มนก็มันก็แน่ใจสิวันนี้นะอ่าอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าเจริญปัญญานะให้พึ่งพางเข้าใจตนเองฮักถามตนเองตอนเอ ง, อเองกัดตอบตอนเอง เข้าไปมันก็ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเป็นนั่งภาวนาแล้วมีแต่สงบใจอยู่เฉยๆไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยถ้าทำเพียงแค่นั้นมันก็ไม่ไปหน้ามาหลังอะไรละมันไม่ก้าวหน้าไปได้ภูมิจิตอันนั้นพูดง่ายๆว่ามันจะ ระ ง, งับทุกทางใจยังยังไม่ได้เต็มที่อันนั้นเพนแต่เพียงระ ง, งับทุกไปได้ชั่วคราวเท่านั้นการทำใจให้สงบอยู่นั่นนะการที่มันจะระ ง, งับทุกไปได้อย่างถาวรนะก็ต้องอาศัยปัญญานี่เองเนี่ยนี่ปัญญาสอนจิตเข้าไป ปัญญานี่มันมองเห็นอทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกนั่นมันรู้ชัดแล้วมันฟงมันวางมาหมดแล้ววันนี้มันยังมาคล้องอยู่ในขันห้าเป็นส่วนภายในนี่เนี่ยสาคัญมากถ้าเรามองเห็นจิตใจอันนี้ว่าสำหรับวัตถุต่างๆภายนอกแล้วเราไม่คล้องเราไม่เกี่ยวอะไรเลยอย่างนี้นแต่วันนี้มันก็มาคล้องอยู่ในขันห้านี่ ก็มาพยายามใช่อุบายปัญญาสอนจิตนี่ให้มันรู้แจ้งขันห้านี่ตามเป็นจริงสอนจิตนี้เมื่อเมื่อมันรู้แจ้งแล้วก็ให้สอนให้ปรงให้วาง <c oughs> สอนให้รู้ <c oughs> ให้รู้ชัดว่าไม่ใช่ของเราอย่าทักแต่ว่านึกคิดนิดหน่อยแล้วก็เข้าใจว่า เรารู้แล้วขันห้านี่ไม่ใช่ของเราแล้วเลยไม่คิดไม่สอนจิตตัวเองต่อไปอีกอย่างนี้นี่ไม่ไม่ถูกไม่ถูก <c oughs> ถึงมันรู้ก็จริงดอกแต่เมื่อกิเลสยังมีอยู่ไปๆนล้วมันหักหลงกิเลนั่นแหละมันมาทำให้หลงดังนั้นเราจึงต้องสอนต้องเตือนตัวเองอยู่เรื่อยไป ต้องหาอุบายมาสอนจิตจะเห็นโทษแห่งขันห้านี่ขันห่านี่มันไม่เที่ยงมันเต็มไปด้วยโทษเต็มไปด้วยภัยพิบัติต่างๆนา น, นาโ น, นี้เราก็พัฒนาน า, นานดูสิภัยพิบัติของขันห่านี่มันมีอะไรบักนั <c oughs> ่นเราไปฟังแต่เพื่อนพูดให้ฟัง แล้วแล้วเวลาตนไปนั่งภาวนาเข้าไปอันจะเอาอุบายนั่นมาสอนจิตตัวเองมันสอนไม่ได้นึกไม่เห็นในอย่างนี้เนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้สินั่นแหละต้องพยายามอพยายามหาอุบายสอนจิตนี่เข้าไปสอนจิตให้เห็นความไม่เที่ยงของขันหานี้มันเป็นอย่างไร บางทีมันก็เห็นอยู่หรอกเห็นขันห้านี้เป็นของไม่เที่ยงแต่มันก็ยังยึดถืออยู่นั่นแหละนี่นะมันก็ยังอะไรในขันห้านี้อยู่นั่นแหละทั้งที่รู้อยู่ว่ามันไม่เที่ยงอา้าโลกภัยเบียดเบียนเข้าไปเจ็บปวดเข้าไปก็อา่าก็เลยหลงแล้วันนี้สำคัญว่าเราเจ็บเราปวดอยู่อย่างนั้นแหละครวนครางไป จิตใจก็ล้มเอไปต่างๆนานาอย่างนี้นะไม่มีสติที่จะมากำหนดรู้เท่าทุกขเวทนาต่างๆมูนั้นใจลอยไปตามทุกขเวทนาอย่างนี้นั่นแสดงว่าจิตมันยึดขันห้าถ้ามันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจถ้าว่าจิตไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่มันจะมันใจมันจะไม่ลอยไปตามมันจะไม่หวันไว้ไปตามทุกขเวทนา ที่มันเกิดขึ้นจากขันห้านันะมันจะอดกั้นทนทานมันจะควบคุมจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่วันไว้ต่อทุกขเวทนาก็รู้แล้วว่าขันหานี่มันเป็นก้อนทุกข์แล้วขันหานี่มันยังตั้งอยู่เหตุปัจจัยมันยังไม่หมดคือบุญกรรมบาปกรรมที่ทนทรมาแต่ชาติก่อนนั้นะมันยังให้ผลอยู่มันยังไม่หมด เหตุนั้นอ่ะมันจึงยังมีอยู่มันยึงจังเป็นอยู่อย่างนี้แต่มันก็ชวนจะหมดอยู่แล้วการที่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบนเอาให้สุดโทมไปทีละน้อยละน้อยไปความแกช่ชราครอบงำเข้าไปนั่นเรียกว่าบุญวันใกล้จะหมดแล้วบุญเก่านั่นนะแล้วก็เรียนรู้ที่กำหนดรู้ เออนี่บุญมันกำลังจะหมดแล้วมันใกล้จะหมดไปแล้วออออย่าประมาทให้ทำความรู้เท่าให้อดให้ทนต่อความเจ็บความปวดความแปรปวนของขันอันนี้ของรูปอันนี้ความอดทนไม่วันไหวนั่นแหละมันมันเป็นหนทางคนทุกนะให้เข้าใจการที่ปล่อยใจให้ ฟุ่งซ่านเลื่อนลอยไปตามทุกขเวทนาอันนั้นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์นี่ให้เข้าใจกันอย่างนี้บุคคลจะพ้นทุกข์ได้ต้องกล้าเผชิญกับทุกข์ต้องต้องฝึกใจของตนให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นต้องมีปัญญารู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงนี่ อย่างนี้แหละมันยึงค้นทุกได้แต่ถ้าว่าทุกเกิดขึ้นแล้วในใจอ่อนพับไปเลยไอ้เช่นนี้ไม่ไม่มีทางจะพ้นทุกได้ขอให้พากันเข้าใจ <c oughs> ทุกกว่าจะต้องครอบงำอยู่อย่างนั้นนหละละโลกนี้ไปเกิดโลกหน้าทุกมันก็ติดตามไปเพราะว่าใจมันยึดถือเอาเรื่องมัน ดังนั้นหละคนเรานะลองสังเกตดูเราเกิดมาในโลกนี่นะพอได้ประสบกับความวิบัติความขัดข้องอะไรต่ออะไรมานี่เอาแล้วบ่นเพ้อออกมาแล้วโอ้ยทุกหนอทุกหนอเจ็บใจเหลือเกินทำอะไรก็ไม่สมหวังอะไรต่ออะไรมีแต่ผู้มาขัดขวาง อนี่แต่อุปสรรคน่าเจ็บใจจริงๆบนเพื่อกันไปอย่างนั้นนะนั่นละแสดงว่าใชาติก่อนนั้นมันก็บนเพื่อย่างนี้แหละมันไม่ยอมละมันไม่ยอมปล่อยวางเหตุอันต่างๆเหล่านั้นเหตุแห่งความเสียใจความเศร้าโศก ค, ความโกรธเกลียดเครียดทั้งอะไรท่้งอะไรพวกนี้ยมันไม่ยอมละเหตุเหล่านั้นยึดเธอเอามันไว้ มันก็ติดตามมาพอเกิดมาในชาตินี้มาเผชิญกับอุปสรรคความขัดข้องอะไรทอะไรมันก็ไม่อดไม่ทนบบบนี้แสดงความเสียใจเศร้าโศกไปต่างๆนานานันนะ่นลองสันนิษฐานดูเป็นอย่างนั้นแหละนีถ้าว่าเราไม่มาฝึกจิตให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นยิ่งกวัวนั้นแล้วก็มันก็จะเข้ารอยเดิมนั่นอีกแหละชีวิตนี้นะ มันก็จะหอบเอาทุกข์ติดตามตัวไปเมื่อละโลกนี้ไปนะเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะ่ะเมื่อเราไม่ต้องการหอบเอาทุกข์นี่ติดตัวไปแล้วก็จะ ต, ต้องมาละต้นเหตุแห่งทุกข์ปัจจุบันนี่แหละให้มันระงับไปเลยคือละความเสียใจดีใจความเศร้าโศกต่างๆหมดนี้นะความโกรธความเกลียดอะไรส่ออะไรหมดนี้ พละมันออกไปเรื่อยๆอย่าไปสะสมเอามันไว้อย่าไปยึดถือเอามันไว้ภาวนาสอนใจให้ปรงให้วางมันเลื่อยให้เห็นโทษของกิเลส ต, ต่างๆเหล่านี้ด้วยปัญญาของตัวเองหากว่าเรามีอุบายเย็บคลายอยู่อย่างนี้เสมอๆไปแล้วก็ แน่นอนไอ้ความทุกข์ทางใจมันก็เบาบางไปเวลาผิดหวังอะไรต่ออะไรลงัปแล้วก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกผิดหวังก็ผิดไปทำยังไงเกิดมาในโลกนี่มันล้วนแต่ผิดหวังทางนั้นแหละมันไม่มีหรอกอันจะสมหวังนั่นนะถึงสมหวังได้มันก็สมหวังไปได้ชั่วคราวเท่านั้นเองนะไปไปเดียวก็ผิดหวังอีกแล้ว ผลสุดท้ายก็ผิดหวังร้0ยเปอร์เซนเลยคือความตายมาตัดรอนชีวิตนี้ให้พลาดากาดกันไปนี่ความผิดหวังของชีวิตนี่นะนี่มันมีแต่ความผิดหวังในโลกอันนี้ดังนั้นเราจะไปหอบออนไว้ทำไมปงมันเสียวางมันลงนี่สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แล้วนั่นเลยเราจะได้พ้นทุก์ไปโดยลำดับ จนกวัวจะบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้